เอ่อลำดับต่อนี้ไปขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจงตั้งใจฟังคำอธิบายสักครู่หนึ่งเป็นว่าสำหรับท่านนักปฏิบัติใหม่ให้ตั้งใจตามนี้นะอันดับแรกค่อยปลื้งความสงสัยของตนเองเสียก่อนการปฏิบัติพรกรรมฐานเนี่ย มันมีอารมณ์ไม่เหมือนกับอารมณ์ธรรมดาอันนี้จะต้องรู้เฮ้ยลานี้เราตั้งใจปฏิบัติในด้านของทิฏฐิจุภิยาณและก็มโนมิทติก็จงเข้าใจว่าคำว่าทิฏฐิจุภิยานนี้แปลว่ามีความรู้สึกทางใจคล้ายตาทิเขาไม่ได้หมายความลูกตาเป็นทิเพราะตาของเราหลับ ไม่สามารถเห็นอะไรได้แต่ที่รู้มันได้คือใจเิ่นทิพย์คำไม่ยานนี่เขแปลว่าความรู้นี่คำารรลุกลางที่พิจคุณญาณกหมายความาาาว่าถ้าเราใกล้สมาธิของเราเล็วจัดแต่ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีพอจะมีทิพย์ได้มันก็เป็นแค่มีความรู้สึกถูกต้องยังไม่เห็น ถ้าสมาธิเรดีขึ้นมานิดหนึ่งไอ้ความรู้สึกโกรกมันกลายเป็นภาพปรากฏเข้นกับใจเห็นภาพถ้าสมาธิดีมากคือปรัชนาญาณดีมากมันจะเห็นภาพชัดเจนแจ่มใสที่เห็นทางใจนี่ต่างตาไอ้คำว่าเห็นในที่นี้ก็ต้อาศัยอารมณ์ดีตอนนี้ก็คนที่รับฟังท่านที่นักปฏิบัติเก่านักปฏิบัติใหม่ คือว่ารมดีที่เราเห็นชัดเกจนแจ่มใส <c oughs> นั่นก็ต้องใส่เหตุนี้เหมือนกันหมดทั้งเก่าและทั้งใหม่ทั้งกุมารลมเหมือนกันคือนหนึ่งโยงทิ้งปัจจิเลเส้ย ห, หมดคําเมาปัจจิเลที่มันนิสิตยุง่งมีความท่านนอนตนว่าเราดีคิดว่าเเรามันดีแล้วเลิศแล้วคนอื่นสู้ไม่ได้ แล้ก็มองดูความพอคนอื่นทําผิดเห็นว่าเขาชั่วคอยตำหนิติเตียนคนโน้นติเตียนคนนี้ว่าคนนั้นด่าคนนี้แล้วใบตัวที่ทํามันดีอย่างนี้พระพุทธเจ้าจะเรียกว่าวกกิเลสอุปาไปเข้าไปเข้าไปแล้วไกลมั่นกิเลสคือเก้าขอความชั่วของจิตคือจิตเดินก็ไปหาความชั่วนั่นเอง นี่เราเห็นไหมว่าถ้าเราดีจริงๆแล้วเราก็ไม่ติคนอื่นถ้าเราติคนอื่นก็แสดงว่าเราอย่างเลวดูตัวอย่างองค์สมเด็จตัวสัมมาสัมพุทธเจ้าชาวบ้านชาวเมืองเขดาด่าพระองค์ทั้งเมืองไปที่ไหนก็ถูกด่าที่นั่นถูกทินทาที่นั่นก า, าการด่าการทินทายเขาว่ากันต่อหน้าแต่องค์สมเด็จพระบรเมนสัทฉนยัยเขไม่ทรงโตตอบ หับสอนบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายว่าเธอจงอย่าสนใจในคำลิ้นทาและสันเสริญทั่นถือว่าคำลิ้นทาก็ดีคําสังเสริญก็ดีเป็นโลกปัรมุบันนือหมายความว่าถ้าเราเกิดมาในโลกนี้เราไม่พ้นคำลิ้นทาและก็ไม่พ้นคำสันเสริญแล้เราก็ไม่ดีเพกับคําสันเสริญเราก็ไม่ชั่วกับคำลิ้นทา ถ้าเราดีเขาติว่าชั่วเราก็ไม่ชั่วไปตามปากเขาพูดถ้าเราจะพูดเลวเ ข, เขาเขาสเสริญมาดีเราก็ไม่ดีไปตามคำเขาพูดเราจะดีแล้วเราจะชั่วอยู่ที่ใจตัวเองอยู่ที่การประพิปติบัตินี่คนที่ดีจริงๆถ้าไม่ติใครแต่ว่าการยกย่องให้กําลังใจกับคนย่อมมีอยู่ ว่าการที่เขาทำชั่วก็าทำเลวแต่คนทุกคนมันไม่อยากชั่วคนทุกคนมันอยากแกดีแต่ที่ทำโทษก็กะเป็นอกุศลกรรมกรรมเดิมมันให้ผลฉะนั้นยังไม่มีรจะหน้าตําหน่งตีเตียงกันอันดับแรกขอทุกท่านจงตั้งใจคิดว่าขึ้นชิวาการตําหน่งตีเตีย ง, งเสื่อกันเห็นว่าคนนั้นไม่ดีนี่เลวจะให้พ้นไปจากกิต ถ้ารวมจิตยังมอีอย่างนี้จึงคิดว่าเรายังเลวอยู่ก็พยายามระงับเสียที่ว่าทุกคนก็ต้องการดีแต่ที่ดีไม่ได้เพราะกรรมที่เปรียกุศลมันชี้นํามันชักนํามันบังคับเขามีกรรมที่เปรียกุศลนาบังคับให้ทําชั่วเราก็อย่าลอยชั่วไปเขาด้วยเพราะเป็นการไม่สมควรอีกอย่างหนึ่งที่พระพุทธเจ้าถือว่าเป็นปกิเลศ รวงความว่าจงอย่าสนใจกับเริยาของบุคคลอื่นเขาจะดีมันเรื่องเขาดีเขาจะชั่วมเรื่องเขาชั่วแต่เราประคับใจเพรเราอยู่ได้กับความดีเป็นปกติพอแล้วกันนี่อารมณ์อย่างนี้ขอาวรนดาทุกท่านต้องทรงอารมณ์ให้ได้ในารายการที่สองทุกคนจงละปริโภคภาษาบาลีเแค่ปริโภค คำบริโภคหรือการกังวลด้วยการห่วงใยต่างๆทั้งหมดในขณะที่เจริญสมาธิจงอย่ามีกับเราเลยในเวลาที่ตั้งใจเจริญสมาธิจงคิดว่าเวลานี้เราไม่มีอะไรทั้งหมดทรัพย์สินบุคคลภายนอกจากตัวเราที่เนื่องขึ้นเราไม่มีแล้วแม้แต่แร่างกายของเรามันยังจะพังเรายังไม่ห่วงนี่มันตายช่เวลานี้ก็ช่างมันที่เรื่องความตายเรวห้ามไม่ได้เกิดมาเพื่อตาย ถ้าพร้อมทีจะตายเวลานี้ก็เชิญอย่างเร็วที่สุดตายเวลานี้ไปสวรรค์หรือไปเป็นบรรดาในขั้นต่ำที่สุดอารมณ์อย่างกลางไปเป็นพร ม, พมถ้าจิตมานิยมโลกลโลก็ปฏิพันธ์เลยตัดสินใจตัวนี้ได้ให้มันจริงๆและรายการต่อไปตั้งใจทรงสินให้มันดีเรื่องสินนี่มีความสาคัญมากถ้าสินไม่ดีอะไรมันก็ไม่ได้ คนหนึ่งตั้งใจรักษาศีลจะไม่ยุโยงส่งเสริมและบุคคลอื่นทําลายชีวิตกันและว่าเราจะไม่ทําลายชีวิตของบุคคลอื่นไม่แกลงแกล้งบุคคลอื่นและไม่ยังไม่ยุให้ชาวบ้านเขาทาลายชีวิตกันและก็ไม่ยินดีเมื่อบุคคลหรือคนอื่นทําลายชีวิตกันแล้วทั้งคนและสัตว์นะสองจะไม่ยึดถือทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นมาเป็นของตนได้ตนเอง และก็จะไม่ยื้อให้ชาบ้านยื้อแย่งทรัพย์สมบัติของคนอื่นและก็จะไม่ยินดีเมื่อ้าวบ้านยื้อแย่งทรัพย์สมบัติกันแล้วแล้วก็สามเราจะไม่กล่าวเราไม่จะกล่าววาจาไม่จริงด้วยตนเองและก็จะไม่ยื้ให้ใครกล่าววาจาไม่จริงและก็จะไม่ยินดีเมื่อกล่าววาจาไม่จริงแล้ว س س และก็สี่ ใจไม่ประพฤตินอกใจเพรว่าทำลายความรักของบุคคลอื่นด้วยตนเองนี่เทียกว่าการมารมแล้วก็ไม่ยุโย ง, งส่องเสงกับคนอื่นเขาทาการมารมอันนี้เรียกว่าเป็นการละเมิดจริยายของความ ร, รักและก็ไม่ยินดีเมื่อหัวคนอื่นเขาละเมิดจริยายของความ ร, รักแล้วรวมความว่าการรักษา ส, สินทุกสิขาหมดตามหน้าที่ของเราหนึ่งจะระมัดระวังสินไม่ทําลายสินด้วตนเองทุก ข, ข้อ และก็สองไม่ยุยงส่งเสริมให้บุคคลอื่นทําลายศินและก็ไม่ยินดีเมื่อบุคคลอื่นทําลายสินแล้วการรักษาสินต้องรักษาสามขั้นแบบนี้สําหรับนักปฏิบัติที่เรียกว่าพยโยคาวะจอนแต่หลังจากนั้นไปองค์สมเด็จพระจิลเนวีวนก็ส่งแนะนําว่าต้องระงับมีวอนห้าอย่าให้เป็นเจ้าหัวใจของเราได้ในขณะที่ทรงสมาธิมีจะต้องเป็นผู่ชนะมีวอนห้า ถ้าชนะนินวรณ์ห้าได้เมื่อไลายจิตเป็นฌานเมื่อ น, นั้นเมื่อจิตเป็นฌานได้เมื่าลายจิตกรลมก็เป็นทิศไอ้ความไม่ผ่องใสการนี่ทําอะไรไม่ได้เพราะมันเป็นธาตของนิวรณ์ห้านิวรณ์ห้าคืนหนึ่งรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศไอ้ น, นี่ในขณะที่จะในสมาธิจะต้องไม่มีในจิตของเราเบ่งขัด มันช่วยระยะเวลาเล็กน้อ ย, ยมันจะตายก็มันรู้ไปแต่พระอริยะที่เป็ น, าารนพระอาหันต์หรือว่าอนาคามีเขาตัดไปตลอดชีวิตเหมือนเป็นไหลทุกวินาทีไม่กวนใจเขานี่เราจะใช้เวลาสั้นๆในขณะที่จะเริญนสมาธิเนี่ยเือไม่สนใจกรรปสวยเสียงเพราะเป็นขอมนอร่อยสัมทัสระหว่างพิสนี่ต้องไม่มีในเวลาที่จริญสมาธิและราการที่สอง อารมณ์ความโกรธความชั่วบาปที่มีอยู่แล้วต้องทิ้งไปซะเลยระหว่างนี้ยะหมันมีให้มันเป็นพระอริยะที่โชคขาวมันไม่เป็นจริงอะ่ะทําทวางใจอย่างพระอริยะหมายความเราไม่โกรธใครมัละได้วความโกรธมันปรากฏขึ้นมาก็หัวให้อภัยมันพักหนึ่งแล้ต่อไปในขณะที่ทําสมาธิตัดความง่วงอยายให้มีในใจ มันยังง่วงมันจะตายให้มันรู้ไปช่วยละระยะเวลาไปเดี๋ยวเดียวจะตายก็มันเชิญมันอยากตายให้มันตายช่วงเวลานี้จะไม่ยอมแพ้ความวง่วงถ้าจิตคิดอย่างนี้ได้ชนะแน่แล้วข้อรี่สามอุทจักกุจัอารมณ์จะต้องทรงตัวคือเราเข้าสาวลมอย่างไรให้มันทรงอย่างนั้นภาวนาว่าอย่างไงให้จิตมันอยู่อย่างนั้นกําหนดรู้ลงให้ใจเขาออกแบบไหนต้องทําอย่างนั้นแจ่ไม่คลาด และข้อที่ห้าจงอย่าสงสัยผลขการปฏิบัติคืออารมณ์ที่เป็นคิดแต่มันมีอารมณ์ไม่เหมือนอารมณ์เดิมมันจะมีความรู้สึกขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้เรื่องมาก่อนจงอย่านี่จงอย่าคิดว่าป็อปาทานไอ้คำโมปาทานเนี่ยใช่กันมันถูกไม่รู้จกักภาษีภาษาหนังอุปาทานนี่ก็ปาทาน ถ้าจิตอยู่ในสมาธิมีคำม่าปาทานมันไม่มีพราอารมณ์เพราะอารมณ์สมาธิมันบังคับในขณะที่โซสมาธิจิตอยู่จิ ต, จ, ตจะเป็นนึกเอาเองไม่ได้นอกจากสมาธิมันจะบอกจริงๆต่างความเป็นจริงต้องมั่นใจในความรู้สึกที่เราเกิดขึ้นในเวลานั้นแล้ว่าไอ้ความรู้สึกที่เราจะเกิดนั้นเราจิตเวลานั้นเราเป็นท่ายกนิวร์หรือเราชนะนิวร์ นี่ต่อนี้ไปก็สําหรับนักปฏิบัติใหม่ที่ยังไม่ได้ก็คือให้รู้จักคำภาวนาเพราะว่านักภาวนานี่ใช้ภาวนาวันณะมะพระทะเวลาให้ใจเข้านึกวันณะมะเวลาให้ใจออกนึกว่าพระทะให้มันอยู่แค่นี้นะอย่าจิตไปสนใจอะไรอื่นทั้งหมด ไม่ต้องไปคิดอยาไปคิดอยากรู้อยากเห็นไอ้ตัวอย า, รอยานนออกรู้อยากเห็นนี่เป็นอวบน่ะเป็ผู้แจกงู้จ้งอันนี้ตัวที่จะรู้ใจเห็นจริงๆนะ่ะมันเป็นเวลาที่มีคนเข้าไปแนะนําเวลาที่คุณรียนเสียงเกย์ ก, กมัมามีมีปรากฏว่าคนไปนั่งคัมภีนี่ตอนนี้ทุกคนหยุดคำภาวน า, าเสียแล้วก็ไม่สนใจกระหลงใจเกาออกลอยใจสบายสบาย ถ้าผู้แนะนำเขาแนะนำว่าอยังไงตัดชิ้นใจไปตามนั้นทันทีแล้วก็ให้มีรู้สึกเป็นความรู้สึกเป็นไปตามนั้นเลยนะแล้วหลังจากนั้นเขารู้สึกว่าผู้แนะนำเขาเห็นว่าอารมณ์ใจเร า, เ ร, าเริ่มเป็นทิกข์เขาก็จะถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีอะไรข้างหน้าทบ้างถ้าจิตมันนึ ก, กว่ามีอะไรตอบทันทีอย่ายัง้งถ้ายั้งแล้วก็ถ้าสงสัยนิดเดียวเป็นอีวอนตัวที่ห้า อาจิตนั้นว่ามีก็มีพอถามว่าผู้หญิงหรือผู้ชายจิตมันมก็ผู้หญิงก็ผู้หญิงจิตมันมีความรู้สึกของผู้ชายผู้ชายาทั้งๆที่ไม่เห็นก็ตอบเลยแต่ว่าบางท่านที่ทรงอารมณ์ดีท่านเห็นทันทีนะแล้ว่าชัดเจนแก่มใสคนที่ทรงอารมณ์มาดีไม่ได้เได้ว่าพอดีได้มั่งก็มีความรู้สึกถูกต้องถ้ามีความรู้สึกถูกต้องถ้าพูดสอยค้อนยืนยันสองสามคำ ว่าถูกต้องเวลานี้จิตจะเริ่มเป็นฌานขึ้นมาไอ้สิ่งที่เรานึกรู้แต่มันไม่เห็นไม่เกิดเป็นภาพให้เราข น, ขนขึ้นมาอาจจะยังไม่ชัดเจนแจ่มใสนะักตอนนี้เรียกว่าทุกขียร ญ, ญาณเป็นวิชาสามต่อมาเขาแนะนำให้ขึ้นพุทธลามุนีเจรีสถานข้อขึ้นไปได้ตอนนี้เป็นฌานสี่แล้วเป็นอคิญญาณที่เรียกว่ามโนยิทธิ ยังมีความแจ่มใสสว่างไสวมากขึ้นหลังจากนั่งขยะพาไปสู่นิพพานตอนนี้มีรมสูงสุดในพุทธศาสนาตอนตอน ต, อ น, ต, อ น, ตอ น, นี้ไปเวลาหมดแล้วนะขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านตั้งกายให้ตรงดำ ร, ร, รงจิตให้มันกำหนดรู้ลมหายใจเขาออกสำหรับผู้มาใหม่ยำ ไ, ได้ให้ภาวนาวันละมะพาทะคือด้ายใจเข้านวนาาัในนมะคายใจออกแล้วผ่าทะ ลำดับท่านได้แล้วลรวบรวมกาลังใจแากกันห้าเด็ดขาดให้เห็นพระรูปประชงองพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสุตาาาาสดาเองถ้าจะไปที่ไหนสงสัยอะไรไว้ก็ไปถามท่านได้ท่านตอบยังไงเชื่อถือกัม น, นั้นมาอย่ตรงทุกอย่างตอนนี้ไปทุกคนเริ่มปฏิบัติได้ลำดับตอนนี้ไป ขอท่าน ห, าหลายตั้งใจฟังคำอธิบายเยรื่องกบบารเรียนมฐานสักพู่หนึ่งการเจรียนเทกรรมฐานอันดับแรกค่อยทรงวระจิตนามทีเพือตัดสินใจทั้งแต่เบื้องต้นในด้านของอริยสัจหรือว่าที่เอาให้ง่ายก็ตัดสิ้นใจไป ใ, ในด้ดานของไตรลักษณาคม ที่พระพุทธเจ้ากล่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงในเมื่อมันไม่เที่ยงถ้าจิตเข้าไปเกาะมันก็เป็นทุกข์แต่ในที่สุดมันก็เป็นอนาตาัตตาการเจริญพระกรมมฐานจริงๆความมุ่งหมายของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องการให้บรรดารท่านพุทธบริษัทใช้ปัญญายอมรับทัศน์ถือกฎของความเป็นจริง ไอการมีปัญญายอมรับรัพเพกทุความเป็นจริงเนี่ยเขาเรียกคำว่าวิปัสนาญาณต่ว่าการรู้แจ้งเห็นจริงความเป็นจริงที่ปรากฏกับตาปรากฏกับกายปรากฏกับจิตพวกเรามีอยู่แต่ว่าที่องค์สมเด็จพระบรมครูต้องแนะนําก็เพราะว่าคนที่เกิดมาในโลกเป็นคนมีตาสาม เป็นคนมีกายสามแล้วก็เป็นคนมีจิตสามเพราะว่าชอบเอาอารมณ์ไม่เข้าไปฝืนความเป็นจริงอย่างคนก็ดีสัตว์วก็ดีวัตถุธายุก็ดีที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็เดินเข้าไปหาความเสื่อมคนเกิดมามาจากความเป็นเด็กอยากเด็กเล็กมันเข้าไปหาเด็กโตที่แสดงว่นนาอานิจจังมันไม่เที่ยง ถ้ามันเที่ยงมันก็เล็กอยู่ตามนั้น <c oughs> จากเด็กโตเดินแผลความเป็นหนุ่มเป็นสาวมันก็ปรากฏความไม่เที่ยงอีกจากคนเป็นหนุ่มเป็นสาวไปหาวัยกลางคนที่เดินลงแล้วจากวัยกลางคนไปถึงคนแก่จากแก่ไปถึงตายนี่เราจะเห็นว่าคนคนดีใส่คนดีมีสภาพเหมือนกัน มันไม่มีใครจะเที่ยงตัวขเขาเองเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงมาตลอดเวลาแล้วเราเคยคิดหรือเปล่าว่าเราเที่ยงแล้วไม่เที่ยงที่ไม่คิดก็เพราะอาศัยอริชาคือความโงข่ขาบาังใจเมื่อมีความโงข่ขาบาังใจแล้วก็มีตัวหลงขาบังใจอีกให้ร่างกายที่มันเกิดมาเพื่อตายให้ตัวหลงเข้ามาบังใจก็บไมยความจิตไม่เข้าไปยึดว่าร่างกายที่จะต้องทรงอยู่ตลอดไป เห็นชมามบายเขแก่ไม่นึกว่าเราจะแก่เห็นชามบายเขาป่าวยไม่นึกว่าเราจะป่วยเห็นชมามบายเขาตายไม่คิดว่าเราจะตายนี่มันเป็นความหลงแล้วก็เป็นความงโงค่ควบ ก, กันเพราะความงโง่เข้ามาบังจิตมันจึงหลงแล้วก็กลับจิตสมัยยอมรับนับถือตามความเป็นจริงสิยาวจิตก็ไม่ฝืนใหมีความเข้าใจว่าร่างกายเนี่ยมันเป็นทุกข์ คนเรียนจัหาความเที่ยงไม่ได้แล้วก็ที่บอกว่าตัวที่สองเป็นทุกข์ทุกข์เป็นี้แป่เรื่องเทิยศาสตร์แตตัวที่สองที่เขาเป็นทุกข์ทุกข์เพราะอะไรเพราะว่าสภาวะของร่างกายจริงๆมันไม่เที่ยงแต่เราไปดึงให้มันเที่ยงตามปกติเราเป็นเด็กเราอยาักเราอยากหาความเป็นหนุ่มสาวอันนี้ไม่อยาก มันเดินเข้ไปหาความเป็นหนุ่มเป็นสาวตามความพอใจของเราตอนนี้เราชอบใจไม่กลัวมันดีที่ก็ลืมไม่กวัวมันจะเดินกข้ไปหาความเป็นคุณแก่ความคนตายเนี่ยไม่นึกพอถึงความเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วร่างกายเปลิดแปรงเปล่งปลังสดสดวดงามร่างกายมีกําลังคล่องแคล่วเราชอบแต่พอเริ่มความแก่เข้ามาเราไม่ชอบ ใจมันนึ ก, กว่าไปต้องการให้มันแก่อยากจะหาทุกสิ่งทุกอย่างมาแก้ความแก่ไม่มีใครเขาแก้ได้ที่ไหนแม้แต่พระพุทธเจ้าเองท่าก็แก้ไม่ได้พระุทธเจา้าท่านก็แก่ในเมื่อเราเข้าไปยึดถือต้องการให้มันหนุ่มมันสาวมันมันทรงกายดีอยู่ไม่ต้องการให้มันสูญสมูม ในเมื่อสภาวะมพุทพุทธสมจริงๆเราไม่ต้องการมันเกิดสิ่งที่เรามาไม่ต้องการเกิดขึ้นอารมณ์ใจมันก็เป็นทุกข์ที่ทุกขวกว์ก็โทษดึงมันเข้าไวาน้นนัเองมันดึงไม่อยู่ก็เลยทุกข์นี่เป็นความโง่ถ้าเราปล่อยใจไปตามสมบายยอมรับและถือกฎขั้นธรรมดาแ ร, ารู้ตัวไปเสมอว่าเราเกิดมาเนี่เกิดเพื่อแก่เราเกิดมาเกิดเพื่อความป่วยไข้มาสบาย อย่าไปนึกว่าคนอื่นเขาป่วยแต่เราไม่ป่วย <c oughs> และเราก็เกิดมาเพื่อพัฒนาใจครองรักของชอบใจจําไม่ใช่ว่าไอ้ของที่เรารักคนที่เรารักสัตว์ที่เรารักเนี่ยมันกับเราต้องจากกันแน่สักวันหนึ่งขนาดนึกไว้ทุกวันนะสิ่งนี้มันต้องจากกับเราและร่างกายเป็นที่รักที่สุดที่เราต้องการทะนุถนอมมันไม่ช้ามันก็พังและร่างกายนี้มันเกิดมามันต้องป่วย เวลานี้มันไม่ป่วยสักวันหนึ่งข้างหน้ามันต้องป่วยพร้อมรับไว้แล้วก็ในที่สุดร่างกายนี้มันต้องตายถ้าจิตเราคิดว่ายนี้เสมอความที่ตงหวัดหวันมันก็ไม่มีในตัวที่เมาเขาไปเกาะจิตมันก็ร่างกายมันก็ไม่มีจิตมันก็โปร่งถ้าไม่การเกาะร่างกายเราไม่มีการเกาะร่างกายของคนอื่นมันก็ไม่มีจิตเข้าไปเกาะวัตถุธาตุใดๆมันก็ไม่มี ตัวนี้ก็เลยเป็นจิตพระอาราันตไม่มีปรัชนาญาณตัวปลายนะมีเท่านี้ใอนน้การเินที่กำลมงฐานขึ้นต้นเราต้องขึ้นปลายเลยไม่ใช่ไปจับไม่ใช่ไปจับต้นต่อแตะตัวแตะพระท่านตร ว, ตตวตไหนก็ไม่ทราบอันนี้เขาไม่ได้ใช้กันคือไตรลักษณญาณเนนะี่ยมันต้องฝึกจิตึนมันจะเริ่มต้นให้จําไว้หนินะ แต่การที่มีจิตพวกเราไม่ผ่องไสบางคนที่ได้ฌ า, านสมาบัติได้มโนยิธีแล้วอารมณ์มันผ่องใสไม่ได้เพราะจิตมันมีตัววิชาเข้าไปบงังมีตัวโมหะความหลงเข้าไปบงังคือไม่พยายามปล่อยอกาทานไอตัวยึดมัน่นถือมั่นในสิ่งที่มันไม่ทรงตัวเราคิดจะให้มันทรงตัวในเมื่อมันไม่ทรงอารมณ์จิตก็ไม่สบายมีควา ม, มทุกข์มันไม่ยากอะไร ถือว่าเราไม่ฝืนกฎธรรมดามันสักก็หมดเรื่องเอ้ที่มันทําอะไรกันไม่ได้เนี่ยมันตัดน่องทำไมได้ตัดนี่มันได้จิตใจมันวุ่นวายว่าจิตมันฝืนธรรมดาของที่มันไม่มีต้องการให้มันมีขึ้นที่มันมีขึ้นแล้วต้องการ้มันหมดไปมันจะเป็นไปได้ที่ไหนนี่รงความว่าการเจริญเพื่อกรรมฐานในพระพุทธเจ้าต้องการอย่างเดียวคืออารมณ์จิตที่ไม่ดื้อ คือไม่ลื้อต่อความเป็นจริงและต่อกฎ ธ, ธรรมดาเอาจิตเข้าไปยอมรับรับถือกฎ ธ, ธรรมดาเสียและจงอย่าไปหลงให้ของที่มันไม่ดีว่ามันดีร่างกายของเราเนี่ยดูที่มันดีตรงไหนบ้างมันมีทั้งขี้ทั้งเยี่ยวทั้งอุจจาระทั้งปัสสาวะน้งเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองยามปกติก็ต้องเลี้ยงปัญหาที่สุดไม่ได้ หาของกินมันกินเช้ามันก็จะกินกลางวันกินวันกจะกินเย็นกินเท่าไรมันก็ไม่อิ่มมันดีนะคือเราต้องระคับระครองมันหาของกินหายารักษาโรคป้องกันแม้มันมีโรคแล้วเราห้ามมันได้ไหมแล้วเราห้ามมันไม่ได้ประคับระครองเท่าไหร่ก็ตามทีห้ามความแก่ได้เปล่านะมันก็ห้ามไม่ได้แล้วไม่ห้ามความแก่ไม่ได้ห้ามความตาได้ไหมมันก็ไม่ได้ ในเมื่อมันไม่ได้คันร่างกายเป็นอย่างนี้มันดีสําหรับเราหเลยก็แสดงร่างกายมันเลวสําหรับเราเราคือจิตจะไม่ดีคําว่าเราเนี่ยต้งภาษาต้องศีกขึ้นไปจิตแต่ผู้ที่ได้ยานพิเศษได้ทิพย์คือยานขึ้นไปฉันเรียกว่าทิสมานกายคือกายที่ไม่สามารถเห็นนิจตาเราไอเราจริงๆนั่นคือทิสมานกาย มันจึงกายเป็นนามธรรมานี่เข้ามาสิงอยู่ในกายเนื้อกายเนื้อมันเป็นเรือนร่างที่อาศัยชั่วคราวกายเนื้อนี่พังมาเลกายที่เราไม่เห็นตัวโอยโสภพโสชาติี่เราดีไม่พอในการเวียนว่ายใจเกิดชาตินี้เป็นคนชาติต่อไปเป็นสัตว์ดิฉานเลวกว่านั้นแปเป็นกายเลวอีกเป็นเรชเลวกว่านั้นไปเป็นสั ต, ตว์รกไอลงข้างล่างเนี่มันมากกว่าขึ้นข้างบน การจะไาเกิดเป็นมนุษย์จะมันแสนยากโดยมากเขาไปพ่นปิ่นด้านด้านสัตว์เป็นชั้นคืออใบยภอบุ๋มและเปิดอสุรกายสัตว์นรกยิ่งการจะไปเป็นเทวดาหรือพมยิ่งยากกว่าวามเป็นมนุษย์ที่เราต้องการอะไรอีก <c oughs> เราต้องการไม่ความเป็นมนุษย์แค่นี้มันก็ยากมันก็ลำบากทุกข์เห็นพอแค่นี้นะแล้วถ้าเราต้องการเกิดเป็นมนุษย์อีกแต่มันไม่ได้เป็นหรอก ถ้าใจต้องการเป็นมนุษย์แต่มันไม่ได้เป็นแน่เพราะใจมรนสามใจจะเป็นมนุษย์ได้ก็ต้องมีเทวธรรมหรือว่าพรหมธรรมหรือว่าอารมณ์พนิพพานถ้ามีอรมณ์พนิพพานแน่นหน่อยคือทรงจิตเป็นพระโสดาบันได้อันนี้เป็นมนุษย์แน่นอนคือมนุษย์กับเทวดาแน่พระโสดาบันมีอะไรนย่ยำยากสกายทิฏฐิท่านมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าเราจะต้องตาย ไม่แม้รู้ตัวจะตายก็มีความไม่ประมาทในชีวิตไม่ต้องการอนบายญัติคือจิตเคารพแตพระพุทธเจ้าจริงนันปธรรมจริงในพระอริยสงฆ์จริงที่เรียกว่าวิจิจิชาวตัดวิจิิชาคือเคารพแตพระพุทธเจ้านันปธรรมเระสงฆ์จริงต่อมาศีรพตประมาทไม่ไม่ดูถูกดูเหม่นศีลคือไม่เหยียดหยามศีลหมายความว่าทรงศีลให้บริสุทธ์ตามเพศ สินทุกสี่ขาบทถ้าเป็นพระเป็นเนนเป็นพระว่ายพระวัดสรงชินหบริสุทธ์เนนศินสอยยี่เนนชินสิบและก็ต้องมีพิสมาจารย์คือเซคิวติเจ็ดสิห้าาบบพระมีศินสองอยี่สิเจ็ดสี่สคัญสองยี่สิบและก็ต้องมีพิสมาจารย์ด้วยถ้าจิตเราไม่ประมาทในความจะตายคิดรู้อยู่ว่าจะตาย มีความมั่นคงในคุณพระตัตนตรัยมีสินบริสุทธิ์แลดวงจิตยึดเห น, นี่ยวพระนิพพานเป็นอารมณ์เห็นว่ามนุสสโลกมันเป็นทุกข์เทวโลกและคบโลกไม่มีความหมายเราต้องการพระนิพพานเท่านี้เท่านี้แหละถ้าอย่างเลวที่สุดเราเป็นระโสุดาบัญก็เกิดเป็นมนุษย์อินไม่หี่ชาติก็เป็นพระนิพพานนี่ต่อจากนี้ไปข้ามรนดาท่านที่ยังไม่ได้ ต่อสเดียวก็จะหยุดการภาวนาท่านมีอังคารแนะนําให้ตั้งใจภาวนาวนาาาาันะมะพระทะเวลาให้ใจเข้านึกวนาาันะมะเวลาให้ใจออกนึกวาา่าพระทะอันนี้เราฝเพื่อทิพย์อยู่คุญานในเพื่อมโนยิธิแต่ว่าเวลาให้ใจเข้าใ้ออกก็ดีภาวนาก็ดีโจย้ยาอยากรู้อย่ากเห็นอะไรทั้งหมด ทำใจอยู่สบายให้ใจเบาๆให้ใจปล่อยไปตามเรื่องไม่ต้องทาสมาธิสูงอาแค่สบายๆให้ใจเข้ากรู้อยู่ให้ใจออกกรู้อยู่ให้ใจเข้าไม่กว่าละมาให้จออกน้ำพระท่านทีนี้ถ้าเวลาที่มีพระที่เข้าไปแนะนำวันนี้มีพราอย่างเดียวมีพระดกเนงมีพระกำเนงเขาว่าเขาคงไม่เข้าไปสอนมีพระเข้าไปแนะนําท่าน ในเวลาพระเขาไปนั่งทางหนาทุกงงให้หยุดภาวนาเสียแล้วไม่สนใจกลัวใจเขาออกฟังคำแนะนำผู้แนะนำแล้วก็ตัดสินใจไปตามนั้นคำว่าทิฏฐิคุยานก็คือมีความรู้สึกทางใจคล้ายตาทิพย์อันนี้ต้องฉลาดกันอย่างโง่นะถ้างโง่แล้วมันไม่ได้หรอกอะที่ได้ก้าชาแล้ว่าสัยความโง่เป็นสำคัญ ทิฏฐิจุคุยยานีคำแปลว่ามีกําลังความรู้สึกทางใจคล้ายตาทิศไม่ใช่ลูกตาเป็นทิศถ้าสมาธิของท่านเร็วมันรู้สึกถูกต้องเมื่อเขาถามว่าเห็นอะไรไหมจะมีความรู้สึกยังไงตอบทันทีถ้าสมาธิดีขึ้นความรู้สึกที่ยังไม่เห็นตัวมันปรากฏภาพเห็นจากใจถ้าสมาธิดีวิปัสสนาญาณดีตัดได้ตามที่พูดเมื่อกี้นี้มันจะแจ่มใสทุกอย่างมไม่ได้เห็นภาพเป็นเด้งไง อันนี้ต้องจำให้ดีจนโดยมากฝึกกระเนินมาด้วยจะได้ช้าๆส่วนหน่อยชุกระว่ายเขามไม่ได้พราะว่ายเขารวดเร็วกว่าตอนนี้ไปุบรรดาท่านพุทธบริ ษ, ษัทเป็นหลายสร้างกายให้ตรงบำรงุงจิตให้มันการหลบรู้หลบแม่ใจเขาออกสํำนับท่านผู้ใหม่ให้ใจเข้านิวรณะมะให้ใจออกนำพสําหรับท่า น, น, าานีได้แล้วก็รวบรวมกาลังใจลงขันห้าตัดขาด ให้จิตไม่ก็เห็นพระรูปไปโฉมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายของใสต่อจนไปท่านจะไปพบไหนก็ไปเรื่องของท่าน้าเรื่อปฏิบัติได้